การคิดตั้งสติระงับอารมณ์คือการเอาไม้จิ้มฟันไปงัดกับสุงคำถามที่ว่าจะทำยังไงจะเลิกนิสัยเจ้าอารมณ์แท้ที่จริงแล้วคำถามในิใจคือขออุบายมหาสารย์อะไรสักอย่างที่สามารถเปลี่ยนนิสัยได้ในชั่วข้ามคืนมีไหมถ้ามีก็จะขอบพระคุณอย่างยิ่งไม่มีนะครับแบบนั้นไม่มี อุบายแบบนั้นเป็นไปไม่ได้และถ้าพยายามมันจะทอ้อเนื่องจากยิ่งหาทางลัดเท่าไหร่ทางมันยิ่งยืดไกลออกไปมากขึ้นเท่านั้นเฉพาะแง่นี้แง่เดียวเลยเรื่องของความเป็นคนเจ้าอารมณ์ถ้าคุณเปลี่ยนตัวเองได้คุณจะไม่ได้เปลี่ยนแค่นิสัยเจ้าอารมณ์แต่คุณเปลี่ยนตัวเองจากคนคนหนึ่งเป็นคนอีกคนหนึ่งเลยเปลี่ยนชีวิต มันต้องใช้เวลาการไปตั้งเป้าว่ายักษ์มาในตัวเองจงสูญสลายไปจงตายจากความเป็นตัวเราไปอันนั้นเกินกว่าที่จะเป็นไปได้แต่เป็นไปได้ถ้าตั้งเป้าแบบย่อยๆก่อนเช่นถ้าหากว่ามีเรื่องแรงๆมากระตุ้นให้เกิดภาวะเป็นยักษ์เป็นมารขึ้นมาข้างในคุณตั้งเป้าไว้ว่ า, วา คุณจะเห็นหนักขณะเป็นยักษ์เป็นมา น, นั้นว่ากำลังหายใจอยู่ในอิริยาบถใดตั้งเป้าให้ได้แค่นี้ก่อนเสร็จแล้วพอเกิดภาวะยักษ์มานขึ้นมารู้สึกถึงสภาพมืดๆที่กำลังก่อตัวขึ้นมาเหมือนกับปีศาจในภาพยนต์มีเขี้ยวมีเล็บมีน้มตามตัวงอกออกมาให้รู้สึกได้คุณกลับมารู้ลมหายใจ เพื่อที่จะได้เห็นว่าคุณเป็นยักษ์เป็นมารอยู่ในอิริยาบถไหนถ้าเป็นยักษ์เป็นมารอยู่ในอิริยาบถยืนก็ให้รู้ไปว่าเออในท่ายืนของกายนั้นเกิดยักษ์เกิดมารขึ้นมียักษ์มีมารเกิดขึ้นได้เข้มข้นหรือว่ายาวนานเพียงใดสามารถนับได้ว่าอยู่ไปกี่ลมหายใจตั้งเป้าไว้แค่นี้อย่าให้มากกว่านี้ ถ้าหากสังเกตคุณจะเห็นว่าเวลาตัวเราเป็นยักษ์เป็นมารเจ้าอารมณ์ขึ้นมามันไม่มีสติมันไม่มีหลักให้สังเกตว่าจะกลับมาตั้งหลักยังไงดังนั้นถ้าเราจับจุดถูกแล้วหาหลักไว้ล่วงหน้าโดยการซักซ้อมในเวลาที่จิตใจอยู่ในสภาพปกติรู้ไปเรื่อยรู้ไปเล่นเล่นว่ากาลังหายใจอยู่ในท่าไหน ถ้าหายใจไปด้วยแล้วโรอิรยาบทปัจจุบันไปด้วยจนเกิดความเคยชินขึ้นมาเมื่อถูกกระตุ้นให้เกิดภาวะยักมานเราเอาความเคยชินนี้ไปใช้เอาทุนนี้ที่สร้างไว้ไปใช้คุณจะเห็นเลยว่าภาวะยักมานที่มีสติประกอบอยู่ด้วยอายุไขสั้นอยู่ได้แค่ไม่กี่ลมหายใจแล้วก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปจากความเข้มแข็งของสติ ความเคยชินที่จะเป็นยากมานันมันอยู่กับเรามาตั้งกี่กับกี่กันก็ไม่ทราบดังนั้นอย่าเอาไม้ชิมฟันไปงัดกับไม้สุงด้วยการสั่งตัวเองดื้อว่าตั้งสติระงับอารมณ์หน่อยสิเพราะว่ายิ่งงัดมันจะยิ่งทอ้อ